ธรรมะกรรมทวาทศกัว่าด้วยอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตที่ชอบธรรมสิบสองหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบได้องค์สาที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือหนึ่ง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 อุกเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบได้องค์3ที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. ลงเพราะต้องอาบัติ 2. ลงเพราะอาบัตที่เป็นเทสนาคามินี 3. ลงเพราะอาบัตที่ยังไม่ได้แสดงภิกษุทั้งหลาย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 เป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือหนึ่งลงโดยสอบถามก่อน 2. ลงโดยชอบธรรมสสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบได้องสามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรม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 หมวดที่ 8. ภิกษสุทั้งหลายอุบเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. ลงเพราะอาบัตที่เป็นเทศนาคามมนี 2. ลงโดยชอบธรรม 3. สงพร้อมเพียงกันลง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 เป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. ลงเพราะอาบัตที่ยังไม่ได้แสดง 2. ลงโดยชอบธรรมสาสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยวินัยเป็นกรรมชอบด้วยธรรม เป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีหมวดที่1ิภิุทุทั้งหลายอุคเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. โจรก่อนแล้วจึงลง 2. ลงโดยชอบธรรม 3. ม